สายันหาการกำลังย่างเข้ามาดวงทินกรกำลังเคลื่อนคล้อยลงมาจวนจะลับแนวป่าบนฝั่งตะวันตกแห่งแม่น้ำอจิรวดีเปล็ดเมฆที่ดาราดาษอยู่บนม่านฟ้าภาคตะวันตกถูกแสงอาทิตย์ฉาเป็นสีแดงเข้มสลับดำและเหลืองน่าดูฟูงวิหกพากันละที่หากิน บินเป็นหมู่มู่กลับปวงรังเหล่าโคบานต้อนโคฝูงคู่ยากกลับบ้านทิ้งทุ่งนาและราป่าไว้ท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งสายันภาารขณะนั้นเรวัตตักลนุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านคนจันทานใกล้กรุงสาวัตถีเดินต้อยๆ้อยอยู่หลังฝูงโคของเขามุ่งหน้าสู่บ้านที่มองเห็นลิบลิ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 เอาฟืนเข้าไปขายในนครสาวัตถีแล้วกลับออกมาพร้อมด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มเล็กน้อยบิดาของเรวัตต์มีแม่โค น, นมหนึ่งตัวโคนหนุ่มสำหรับเทียมเกวยนอีกสองตัวเขาต้อนมันไปเลี้ยงตามทุ่งและราวป่าทางแถบเหนือของแม่น้าอจิรวดีพร้อมกับเด็กชาวบ้านทั้งหลายแต่ตามปกติเรวัตต์ชอบอยู่คนเดียวเงียบ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 อ๋อกลับมาแล้วเหรอเปรวัตต์พ่อกําลังคออยู่ทีเดียวเหนื่อยมากไหมไม่เหนื่อยเลยอ่ะกวันนี้จะได้ผ้าห่มนะนี่พ่อซื้อมาให้อยู่ไหนอ่ะคงจะสวยมากใช่ไหมพอ่อเอ่อเอ่อเอ่อพ่อไม่รู้จะบอกเจ้ายังไงดีให้แม่เจ้าเป็นคนบอกดีกว่าพ่อจะรั บ, บบอกแม่เหรอมีอะไรหระพอ่พอพ่อนั่นแหละบอก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 เตรียมข้าวของเรียบร้อยหรือยังเรวัตต์เรียต้อ ย, ตอยแล้วพ่องั้นไปกราบลาแม่ ส, สัสิจะได้ออกเดินทางไปกันแม่ฉันขอลาไปก่อนบ่าเป็นสุขทะลุเลแล้วอย่าลืมซะล่ะลูกเราเป็นยันทานอันต่ําต้อยจงสงบใจเงี่ยมเจียนตัวตั้งใจปฏิบัติ บ, ตบำรุงท่านกะหบดีให้ดี จำคำสั่งสอนของแม่ไวในะลูกนะจ้ะแม่ฉันจะจำคำของแม่ไว้เอาละไปกันเถอะเรวัตตฉันไปละแมเรวัตต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 แต่นั่นไม่ได้ทําให้ลืมตัวนึกถึงอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนจันทานมีฐานะตระกูลต่ําต้อยจึงต้องสงบเสงเอมเตรียมตัวเสมอตั้งหน้าเรียนและทำงานได้ความไม่ประมาทอออฮะถูพื้นอยู่นี่เองเลยวะตะขยันจริงนะเราอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูดาได้ยังไงต้องขยันหน่อยแตงขี้เกียจก็ต้องฝืนใจขยนันอย่างนี้นะสิท่านขาวดีจึงได้รักท่านมาก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 ลีลาวดีอืมนางสวยมากท่างกานิกาและลีลาวดีท่านคาบดีให้อยู่ประสาทชั้นสูงสุดมีนางคาสีปฏิบัติบำรุงมีงานขั ต, ตเลกใ ห, ใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงมารื่นเริงแต่พอท่านคาบดีไม่อยู่ทั้งสองก็ลงมาเล่นข้างล่างเสมออาแล้วไม่ถูกว่าเลยใครจะว่าบิดาไม่อยู่นี่บิดาไม่อยู่ก็มารดาไงโอ้ย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 แม่เห็นจะทนดูหน้าชาวกรุงสาวัถีต่อไปไม่ไหวแน่ไปกันทะลุไม่เป็นหน้ามา <c oughs> ันเลยเพิ่งจะรู้แนช่ชาติเดี๋ยวนี้เองว่าท้าทีเป็นศัตรูของนายมาจากความเป็นจันทันไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการงานหรือมารยาทอย่างนี้เห็นจะไม่มีทางแก้นอกจากตายไปแล้วไปเกิดใหม่ในวั น, นพระพรามณ์ไม่อย่างนั้นก็หนีไปจากบ้านอันแสนจะทรมาน พ่อมาเยี่ยมดีใจมากที่เดียละพ่อฉันภาวนาขอให้พ่อมาเยี่ยมเร็วๆพ่อมาจังหวะเหมาะที่ท่านขหาบดีไม่อยู่เลยไม่ได้คารวะขอบคุณเอ๊แต่ดูเจ้าผิดสังเกตไปนะหน้าตาเศร้าหมองยังไงชากคนมีอะไรที่ทำให้เจ้าไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอเรวตะจะพ่อฉันมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับท่านขหาบดีละสิ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 เอาไปค้าขายต่างเมืองฉันก็ถูกกลั่นแกล้งให้ทํางานหนักเช่นเดียวกับธาตแต่นั้นฉันไม่ว่างานหนักแค่ไหนจะทนได้เพราะตอนอยู่กับพ่อแม่เคยลำบากมาแล้วแต่ดุด่าได้ถ้อยคำหยาบคายนี่สิฉันเหลืออดเหลือทนจริงๆแล้วเจ้าจะทํำยังไงขอให้ฉันกลับไปอยู่บ้านงานบ้านทุกอย่างจะทําเองคนเดียวได้อดทนเอาหน่อยลูกเอ้ย อุตสาห์ทำความดีเขาไว้บางทีความดีอาจจะชนะใจเขาได้ถ้าทนไม่ไหวจะกลับไปอยู่บ้านพ่อก็ไม่ว่าแต่ต้องรอให้ท่านข้าวบดีกลับมาซะก่อนจะได้อำลาดท่านตอนนี้ก็ทนไปก่อนนะลูกนะจะพอ่อฉันจะอดทนจนถึงที่สุดดีแล้วลูกพ่อเห็นจะต้องกลับแล้วนะแล้วพ่อจะมาใหม่จะพอ่อ Oh. ผลอยู่ตามคำขอของพ่อก่อนนอนทุกคืนจะต้องสวดมนต์วิงวอนพระศิวะเป็นเจ้าขอจงมดานให้ท่านขหาบดีกลับมาไวๆพระปินเจ้าในสูงสวรรค์คงจะได้ยินเสียงร่ำร้องในหัวใจในไม่ช้าท่านก็กลับมาสิทธิต่างๆจึงได้รับเหมือนเดิมนางพรมามณีและกัณ น, นิกา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 นั่นว่าต้องหอบพ้านุ่งพ่อห่มไปอยู่กระท่อม เ, เล็กๆในสวนทำหน้าที่ตักน้ำรดต้นไม้ทางหญ้าพืวนดินมีนาทาสีคนหนึ่งเป็นคนควบคุมดูแลเช้าและเย็นมีทาดนำอาหารมาสมอาหารก็ไม่มีอะไรนอกจากข้าวปลายเกวียนและน้ำผักตองแต่ถึงแม้จะทำงานหนักก็ยังสบายกว่าอยู่ในคฤหาสน์ ไปตอนได้ยินเสียงดุดาเยียดยาไปถ้อยคำที่ยาคายต่างๆอีกประการการอยู่คนเดียวเงียบๆก็ถูกกับนิสัยอยู่แหละเพราะเคยอยู่โดดเดี่ยวมาแทบตลอดเวลามีโอกาสอยู่ร่วมกับพ่อแม่ก็เฉพาะเช้าเย็นและกลางคืนเท่านั้นตลอดกลังวันอยู่ป่ากับวัวคู่ชีพและเพื่อนเด็กจันทาน นิททางย่าในสวนเกือบตลอดบ่ายกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วเหน็ดเหนื่อยมากกว่าทุกๆุกวันเลยเดี๋ยวกลับถึงกระท่อมอาบน้ําแล้วรีบนอนทันทีเห็นทีเขล้มตัวลงนอนคงฉลัดเป็นตายาถึงกระท่อมเหมือนถึงวิมานเอ๊ะนั่นอะไรวางอยู่กลางห้องเป็นห่อของอย่างใดอย่างหนึ่ง มันไม่ใหญ่โตนะมีมเชือกผู ก, กมัดแข็งแรงอะไรกันเนี่ยและมาเป็นของใครหล่ะค่อยๆยยยแก้เชือกออกมือทำไมต้องสัน่นโดยก็ไม่รู้จใจเต้นตึกตักเป็นตีกลอง เห็นจะเป็นเพราะความตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นว่าในห่อนี้มันมีอะไรเห็นแล้วมัมม่วงกำลังสุกสามผลข้าวทุกปายาดหลายก้อนแผ่นเนื้อโคปิ้งอย่างดีสามแผ่นอ้อมีจดหมายอีกด้วยสิเรวตา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 และบริพ่เถิดผู้หวังดีผู้หวังดีงดใครกันนาคือผู้หวังดีส่งสิ่งของและจดหมายนี้มาให้ดีใจและตื่นเต้ น, ตนจนหายเหน็ดเหนื่อยหมดสิน้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนใดคนหนึ่งในเค ร, รือขายนี้เป็นผู้ส่งสิ่งของนี้มาให้พดูท่าทีเป็นศัตรูด้วยกันเท่านั้น นอกจากท่านกหาบาดีและชัยเสนเท่านั้นแต่เวลานี้ท่านทั้งสองก็ไปค้าขายเมืองไกลถ้าอย่างนั้นเป็นใครละ่ะอาหารนั้นน่ากินจริงๆคงจะอร่อยมากต้องกินให้สมกับความอยากแต่ว่าช้าก่อนกินสุ่มสี่มสุมห้าไม่ได้อาหารเหล่านี้ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์หรือเปล่าอาจจะมีบางคนมุ่งร้ายชีวิต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 นําอาหารมาส่งแล้วอาหารมาแล้วเรวตะท่านรีบกินซะให้อิ่มเดี๋ยวจะได้ทางานไม่ต้องบอกหรอกยังไงข้าพเจ้าก็ต้องทําแน่นี่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเร่งหรอกนะเป็นเพราะความหวังดีนายท่านไม่เห็นท่านอ้อยอิ่งจะดุด่าเอาท่านเข้าอีกแล้ว เ, เป็นคนใช้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันขอบใจมากอ๋อเดี๋ยวก่อนทักทีนีขอถามอะไรหน่อยถ้าต้องการจะถามอะไรเย็นวานนี้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 พอจะบอกข้าพเจ้าได้หรืออย่างว่าห่ออาหารของใครข้าพเจ้าไม่รู้ไม่รู้จริงๆน่ะเหรอก็จริงนะสิท่านพบที่ไหนที่กลางห้องนั่นอาหารดีๆนะ่าอร่อยนะท่านกินอร่อยไหมข้าพเจ้าไม่ได้กินอ้าวทาไมล่ะไม่รู้ว่าของใครแล้วจะกินได้ยังไงไม่รู้ว่าเขาไม่จุดประสงค์อะไรที่ทําอย่างนี้ท่านไม่รู้จริงๆเหรอว่าห่อนี้เป็นของใครข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็บอกแล้วล่ะสิ เรื่องอะไรจะต้องปิดบังเข้าไปเจ้าไปล่ละจะต้องรีดไปทำงานที่อื่นอีกเป็นอันว่ายังเป็นความลับต่อไปผู้หวังดีคือใครน้อ